มูลนิธิพรรัตนสุวรรณขอเสนอรายการธรรมสาระจากหนังสือเรื่องโลกทิพย์ซึ่งอาจา ร, รย์สิริพทธสุได้แปลาจากหนังสือฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Live in the World unseen ซึ่งเรียบเรียงโดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียต่อจากตอนที่แล้วตอนที่หกการดนตรีการดนตรีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งในโลกทิพย์ดังนั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนอารมณ์และขัดจังหวะไว้ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมเยียนภูมิที่ต่ำกว่าโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเอ็ดวิน จึงตกลงใจที่จะพาเราไปชมกิจการดนตรีของโลกทิพย์ซะก่อนตึกที่จัดไว้โดยเฉพาะสําหรับเรื่องการดนตรีนี้เป็นตึกที่กว้างขวางใหญ่โตมากสําหรับข้าพเจ้านั้นเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีเท่าใดนักจึงมีความรอบรู้ในเรื่องนี้ค่อนข้างจะน้อยอยู่สักหน่อยแต่เมื่อว่าโดยจิตใจแล้ว ข้าพเจ้าก็มีนิสัยชอบในทางนี้อยู่เหมือนกันส่วนมากที่ข้าพเจ้าเห็นภายในตึกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักวิชาทั้งสิน้นซึ่งแสดงว่าชาวโลกทิพย์มีรสนิยมในทางดนตรีกันเป็นส่วนมากเพียงใดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในที่นี้จะสารวจนเล่นดนตรีกันอย่างหามรู่มหาค่าเช่นนั้นไม่ท้งนี้เป็นไปตามหลัก ที่กบเจ้าได้กล่าวมาแล้วคือณที่นี้ทุกคนมีอิสระและเสรีที่จะทำงานที่ตนชอบได้อย่างเต็มที่และเมื่อทำแล้วจะพักผ่อนหรือเลิกทำเมื่อใดก็ได้แต่เป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าบุคคลส่วนมากแม้จะไม่ใช่นักดนตรีโดยตรงก็มีนิสัยชอบในทางนี้แฝงอยู่ในส่วนลึกของหัวใจไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าเองก็เป็นบุคคลในจำพวกที่กล่าวมาแล้วนี้ส่วนรูทนั้นมีความสนใจในเรื่องนี้มากกว่าข้าพเจ้ามาแต่เดิมเธอจึงรู้สึกว่ามีความสนใจและเข้าถึงหนังสือตำราต่างๆได้ดีกว่าข้าพเจ้าเป็นอันมากในห้องดังกล่าวเป็นห้องสมุดบรรจุหนังสือวิทยาการที่เกี่ยวกับการดนตรีไว้มากมายตลอดจนถึงบทดนตรีที่เขียนไว้ในโลกมนุษย์ และผู้เขียนได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วส่วนที่เป็นของท่านผู้ประพันธ์ซึ่งยังไม่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันกล่าวได้ว่างานชิ้นเอกของนักดนตรีทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกมนุดย์นั้นก็ปรากฏอยู่ในโลกนี้ด้วยเหมือนกันมีความจริงที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกประการหนึ่งคือเมื่อท่านผู้ประพันธ์งานดนตรีเหล่านั้นได้มาสู่โลกนี้แล้ว ทุกท่านก็อดไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงบทประพันธ์ของตนให้ดียิ่งขึ้นเสมออันหนึ่งยังมีหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการดนตรีตั้งแต่สมัยดึกดำบันลงมาอีกด้วยซึ่งเราจะได้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของดนตรีลงมาเป็นลำดับที่พรพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าหน้าที่นี้เป็นที่รวมของหนังสือวิทยาการประวัติศาสตร์ และงานประพันธ์ดนตรีทั้งหลายนั้นใครขอกล่าวเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าเป็นการรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์จริงๆทางนี้เพราะหนังสือก็ดีเรื่องงานประพันธ์ก็ดีที่หาได้แสนยากในโลกมนุษย์โดยจะเป็นเพราะความเก่าแก่หรือมีอยู่น้อยชิ้นอย่างไรก็ตามหนังสือและงานเหล่านั้นจะมีอยู่นาทีนี้อย่างสมบูรณ์นอกจากนั้น หนังสือและงานประพันธ์ที่มีค่าสูงและเป็นที่หวงแหนยากที่คนสามัญจะจับต้องได้ในโลกมนุษย์นั้นณที่นี้ทุกคนมีสิทธิเสมอกันที่จะค้นคว้ามาศึกษาได้โดยเสรีการศึกษาก็จะกระทำได้โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้ความสว่างอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยไม่ต้องเกรงว่า ท่านผู้มีชื่อเสียงและความชำนาญเป็นยอดเยี่ยมเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์เหล่านั้นจะรู้สึกรังเกียจหรือเห็นเป็นการต่ำต้อยแต่ประการใดที่จะต้องมาสอนเรื่องต่ำๆแก่ทุกท่านที่สนใจในที่นี้ทั้งนี้เป็นไปตามกฎธรรมชาติอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในเรื่องศิลปรกรรมคือทุกท่านจะตัดสินผลงานของตนโดยเที่ยงธรรมจริง ไม่ได้มีการเข้ากับตนเองหรือเึกว่าตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่วิเศษกว่าผู้อื่นแต่ประการใดเลยดังนั้นเมื่อท่านผู้ที่ชามนุษย์ยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวิชาการดนตรีได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วก็มักจะได้ความคิดใหม่ว่าตนเองยังหามมีความรู้เพียงพอไม่และมักจะแก้ไขปรับปรุงงานดนตรีของตนในโลกมนุษย์ ให้ดียิ่งขึ้นเสมอโดยในนี้อาจกล่าวได้ว่าในเรื่องการดนตรีนี้พวกเราชาวโลกทิพย์ได้ศึกษาคนา้นคว้าและประพันธ์ต่อจากโลกมนุษย์โดยแท้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือจุดสูงสุดแห่งความเจริญก้าวหน้าหรือความไพเราะละเมียดละไมของดนตรีในโลกมนุษย์นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของวิชาการดนตรีในโลกทิพย์นี้ เครื่องดนตรีทุกอย่างของโลกมนุษย์นั้นล้วนมีปรากฏอยู่ในห้องฝึกหัดหนาที่นี้เหมือนกันซึ่งผู้สนใจจะเลือกเรียนได้ตามชนิดที่ตนชอบและเนื่องจากอาการกิริยาของร่างกายทุกประการอยู่ในบังคับของจิตใจอย่างสมบูรณ์ดังที่พระเจ้าได้ ก, กล่าวมาแล้วในเรื่องการอาบน้ําดังนั้น การฝึกหัดเรียนเครื่องมือการดนตรีไม่ว่าอย่างใดในโลกนี้จึงไม่ต้องกินเวลามากมายอย่างน่าเบื่อเช่นในโลกมนุษย์เลยผู้ศึกษาจะรู้สึกด้วยความอัศจรรย์ใจว่าได้รับความคล่องแคล่วและชำนาญในเครื่องมือนั้นๆด้วยความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากนั้นยังมีเครื่องดนตรีอีกหลายประการซึ่งหาไม่ได้ในโลกมนุษย์ เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่คิดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับในโลกนี้เท่านั้นซึ่งเป็นของที่ละเอียดซับซ้อนกว่าเครื่องดนตรีในโลกมนุษย์มากโดยปกติเครื่องดนตรีประเภทนี้มักจะเล่นเข้ากับพวกเดียวกันเพราะถ้านําไปเล่นกับเครื่องดนตรีของโลกมนุษย์ก็จะได้ระดับเสียงไม่เท่ากันทําให้เกิดเสียงพร่ไม่น่าฟังการบรรเลงคอนเสิร์ต ห้องคอนเสิร์ตในที่นี้มีอนณาเขตเป็นรูปวงกลมกว้างขวางมากมีที่นั่งสำหรับผู้ฟังลดหลั่นกันลงไปจนถึงพื้นข้านล่างซึ่งเป็นที่ของนักดนตรีณที่นี้ขอให้ท่านทราบไว้ก่อนว่าห้องคอนเสิร์ตดังกล่าวมานี้หาใช่อยู่บนพื้นดินไม่แต่ความจริงเป็นรูปเหมือนชามอ่างใบใหญ่มหืหมาฝังลงไปในดินลึกมาก ดังนั้นที่นั่งส่วนที่อยู่ไกลจากผู้บรรเลงดนตรีที่สุดก็คือที่นั่งบนระดับพื้นดินนั่นเองโดยรอบมีไม้ดอกนานาชนิดและหลากสีขึ้นอยู่เรียงรายภายใต้ไม้ยืนต้นสูงใหญ่ขึ้นตระ ง, งานอยู่เป็นแนวได้ระดับเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าที่นั่งของผู้ฟังที่อยู่บนระดับดินจะอยู่ไกลจากผู้บรรเลงดนตรีมาก เมื่อคิดเทียบระยะทางบนโลกมนุษย์ก็ตามแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าไกลเกินไปแต่อย่างใดข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้วว่าในโลกนี้เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นระยะทางไกลกว่าในโลกมนุษย์มากนักเอ็ดวินจึงเสนอแนะว่าหากเราต้องการจะฟังคอนเสิร์ตบ้างก็ได้แต่ก็ให้ความเห็นว่า ควรจะเลือกนั่งฟังในระยะห่างกันสักหน่อยซึ่งจะดีกว่านั่งฟังในระยะใกล้ดังเช่นในโลกมนุษย์ทางนี้มีเหตุผลวางประการซึ่งเราจะได้ทราบเองในภายหลังขณะ น, นี้จนจะถึงเวลาบาเรเลงดนตรีอยู่แล้วเราจึงลองทำตามคำเสนอของเอ็ดวินด้วยความประหลาดใจคือเลือกที่นั่งด้านบนพื้นหญ้าซึ่งห่างจากผู้บเรเลงดนตรีมาก ทำให้ข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้เพราะเกรงว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงถนัดในระยะค่อนข้างไกลเช่นนี้แต่เอ็ดวินก็ให้คำรับรองว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเป็นอันขาดต่อมาอีกสักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้คนทยอยเข้ามานั่งอยู่ใกล้ๆกับเรามากขึ้นเป็นลำดับบริเวณสถานที่ซึ่งเมื่อครู่นี้เองยังว่างเปล่าอยู่นั้น บัดนี้กลับมีผู้คนทยอยมาทยอยมาอย่างมากมายบ้างก็เดินเอ่อยๆไปมาและบ้างก็นั่งลงบนพื้นหญ้ายัางสบายอารมณ์สภาวะของสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ทำให้กษัตริย์รู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่รู้สึกว่าสมบูรณ์กว่าสุขใดๆในโลกมนุษย์อย่างมากมายยิ่งนักเรากาลังนั่งอยู่บนพื้นหญ้า อ, อ่อนนุ่มและเขียวสด ความเพลิดเพลินเจริญตาและเจริญใจมีอยู่โดยรอบทั้งในส่วนธรรมชาติคือไม้ดอกและไม้ยืนต้นานานาพันธุ์และในส่วนมิสหายผู้หวังดีคือเอ็ดวินและรูดตลอดจนถึงผู้คนแวดล้อมเราอยู่โดยรอบซึ่งข้าพเจ้ารู้ดีว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีและเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจไม่มีปากอย่างใจอย่างเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์เลย ความสุขดังกล่าวนี้ยิ่งมีมากขึ้นเมื่อเราคิดถึงว่ามันสามารถจะดำรงอยู่ตลอดไปไม่มีการติดขัดด้วยการเวลาหรือธรรมชาติอันวิปริตเช่นฝนตกฟ้าร้องอย่างใดเลยแน่นอนความสุขเช่นนี้เราจะหาไม่ได้เลยในโลกมนุษย์ไม่ว่าท่านจะมีเงินทองมั่งคั่งเพียงใดก็ตามท่านทั้งหลาย ความสุขของชาวโลกมนุษย์นั้นหาที่เปรียบกับที่นี้ไม่ได้เลยเอ็ดวินได้บอกให้เราลองเดินไปชะงูกดูลงไปข้างล่างซึ่งเป็นที่นั่งของผู้ฝั่งทั้งหลายอันลดหลั่นก็นลงไปนั้นอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องได้รับความประหลาดใจเป็นอันมากที่บรรดาที่นั่งเหล่านั้นมีผู้คนนั่งเต็มไปหมดทั้งทั้งที่เมื่อสักครู่นี้เอง ไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดอยู่เลยนอกจากนั้นนักดนตรีทั้งหลายก็พากันมาครบบริบูรณ์แล้วเช่นเดียวกันเมื่อข้าพเจ้ากลับมาถามเอ็ดวินถึงการมาดูดปาติหารของบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับคำตอบว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเช่นเดียวกับการเรียกคนมาฟังเทศนั่นเองในการเรียกคนมาฟังเทศพระ สามารถเรียกคนมาฟังได้โดยส่งกระแสจิตออกไปเรียกได้ฉันใดในเรื่องดนตรีก็คงเป็นเช่นเดียวกันผู้กํากับวงดนตรีเมื่อเห็นว่าคณะของตนพร้อมแล้วก็ส่งกระแสจิตออกไปเรียกคนฟังและผู้ฟังต่างๆก็มาถึงที่นั้นได้ในทันทีชั่วพริตาทาั้งๆที่เรานั่งอยู่ห่างจากบริเวณพอจะมองเห็นผู้ที่มาฟังได้ ก็ยังหามองเห็นไม้สำหรับรูธกับข้าพเจ้านั้นในเมื่อเราได้แสดงตนว่าเป็นผู้สนใจในทางดนตรีอยู่แล้วก็ควรติดต่อกันไว้กับหัวหน้าวงต่อไปเมื่อมีการบรรเลงอีกเขาจะได้ส่งกระแสจิตไปเรียกได้โดยสะดวกวงดนตรีหรือออเคสตราวงนี้มีนักดนตรีประมาณ200คนเครื่องดนตรีที่บรรเลง ก็คงใช้เครื่องชนิดที่บรรเลงอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองซึ่งเมื่อเริ่มบรรเลงข้าพเจ้าก็พอจะจำเสียงได้บ้างแต่ที่พิสดารออกไปก็คือความกลมกลืนกันของเสียงต่างๆนั้นรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผิดกับในโลกมนุษย์ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยฟังมาแล้วเป็นอันมากเพราะไม่ปรากฏว่ามีเสียงพลาหรือผิดจังหวะกันให้ได้ยินเลยแม้แต่น้อย นอกจากนั้นความแจ่มใสของเสียงที่มันเลงออกมานั้นก็ไพเราะเยือกเย็นกว่าในโลกมนุษย์มากอย่างเปรียบกันไม่ได้เลยทีเดียวท่อนแรกของเพลงนี้เป็นจังหวะช้าจึงมีเสียงแผ่วเบาและค่อยๆดังขึ้นทีละน้อยในขณะที่ดนตรีเริ่มเรลเลงนั่นเองข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นลำแสงอันแจ่มใสชนิดหนึ่ง พุ่งขึ้นมาจากส่วนล่างของเวทีรูปอ่างชามใหญ่นี้แล้วแลดูเสมือนจะค่อยๆแพร่กระจายกลายเป็นวงกว้างออกเป็นสีสุกสกาวอยู่โดยรอบที่นั่งชั้นบนสุดคือที่อยู่เสมอระดับพื้นดินที่ประหลาดยิ่งขึ้นก็คือเมื่อดนตรีได้บรรเลงต่อไปเป็นเสียงดังขึ้นลำแสงประหลาดนี้ก็ทวีความแั่นในตัวเอง และความเข้มแข็งของสียิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันปรากฏการณอันน่าพิศวงเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าตกตะลึงจนลืมฟังเสียงดนตรีไปครู่หนึ่งคือแม้ว่าหูจะยังคงได้ยินเสียงของดนตรีอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถรู้ถึงความไพเราะของดนตรีในขณะนั้นได้เลยในขณะนั้นเองก็ปรากฏเป็นลาแสงสุกสว่างสีล่ลพุ่งขึ้นมาจากเบื้องล่าง เว้นระยะห่างเท่าเท่ากันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสลำแสงทั้งสี่นี้พุ่งทะลุเลยม่านแสงเดิมอยู่ขึ้นไปโชดช่วงอยู่ในอากาศครู่หนึ่งจึงค่อยค่อลอยเลื่อนลงมาพร้อมกับแผ่กระจายเป็นวงกว้างออกไปทุกขณะในขณะเดียวกันเมื่อเสียงดนตรีเปลี่ยนท่วงทีทำนองไปลำแสงใหม่พร้อมทั้งม่านแสงเดิมนั้นก็เปลี่ยนสีเข้มขึ้นและจางลงบ้าง สอดแทรกกันและกันเป็นดุดสีรุ้งและสีเหลือบทําให้เกิดเป็นเรื่องรายน่าดูอย่างประหลาดข้าพเจ้าเพิ่งเข้าใจในบัดนี้เองว่าเหตุใดเอ็ดวินจึงบอกว่าเราควรจะนั่งฟังอยู่ห่างๆจะดีกว่านั่งในระยะใกล้ๆในโลกทิพย์เสียงดนตรีและแสงสีเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เช่นนี้เองโลกทิพย์ ไม่ใช่โลกแห่งความอึกะทึกคลึกโครมในที่นี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดอันจะเกิดขึ้นได้แก่บางท่านคือเมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่าแสงและเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ในโลกทิพนั้นไม่ได้หมายความว่าในโลกทิพนี้จะเต็มไปได้วยเสียงต่างๆกรอกหูพวกเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งหากเป็นชนนั้นจริงแล้ว โลกทิพย์ก็คงจะเป็นเหมือนตลาดใหญ่เมื่อคือมาที่หาความสงบสุขไม่ได้เลยอันที่จริงในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อนักดนตรีบรรเลงดนตรีเขาจะทำให้เกิดความคิดในรูปของเสียงขึ้นเหนือตัวเขาซึ่งจะมีชนิดและความเข้มและความสุขัยของสีต่างๆกันไปตามชนิดของเครื่องดนตรีความดังหรือความค่อยของการบรรเลง และคุณภาพของเครื่องดนตรนนีนั้นประกอบกันเมื่อนักร้องร้องเพลงขึ้นก็จะเกิดผลเช่นเดียวกันตามแต่ว่าเขาจะร้องเสียงสูงหรือต่ำเพียงไรนอกจากคุณลักษณะดังกล่าวแล้วกระแสความคิดในรูปของเสียงนั้นก็จะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปอีกด้วยโดยในนี้ถ้าเป็นการบรลงเครื่องดนตรีพร้อมกันมากๆขึ้น หรือเป็นการร้องเพลงพร้อมๆกันหลายคนพ้นในทางแสงสีที่เกิดขึ้นก็จะไม่เหมือนกันกับการบรรเลงหรือการร้องตามลำพังคนเดียวหรือเครื่องเดียวนี้เป็นหลักความจริงข้อแรกความจริงประการที่สองก็คือแม้ดนตรีจะทำให้เกิดแสงและสีได้และในทำนองเดียวกันแม้แสงและสีจะทำให้เกิดดนตรีได้ก็ตามทั้งสองอย่างนั้น ก็เป็นสภาพซึ่งมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองคือไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกันเสมอไปกราวอีกในหนึ่งไม่ใช่หมายความว่าแสงจะทำให้เกิดเสียงแล้วเสียงก็ทำให้เกิดแสงต่อมาแสงก็ทำให้เกิดเสียงกลับไปกลับมาอีกเป็นเสมือนห่วงลูกโซ่อันไม่มีที่สิ้นสุดคือหมายความว่าในเวลาปกติ ก็จะไม่มีปรากฏการณ์ในความสัมพันธ์ดังกล่าวมานั่นเสมอไปความจริงประการที่สามก็คือแม้ในขณะที่มีแสงและเสียงจากผู้บรรเลงปรากฏดังกังวานอยู่หากเราไม่ต้องการฟังเราก็อาจจะอธิษฐานจิตปิดหูเสียก็ได้โดยไม่มีความยากลาบากแต่อย่างไรเลยและในเรื่องนี้เราอาจจะอธิษฐานปิดหูเสียทั้งหมด เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงใดๆเลยหรือว่าเปิดหูเป็นบางส่วนคือต้องการฟังเฉพาะเสียงที่เราต้องการฟังเท่านั้นก็ย่ำทำได้อีกเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าใคร่ขอบอกท่านว่าพวกเราชาวโลกทิพย์มีความรักดนตรีอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมากกว่าชาวโลกมนุษย์ยิ่งนักเพราะว่าเราจะได้ยินและได้รับความบันเทิงจากเสียงดนตรีอย่างทราบซึ้ง มากกว่าชาวโลกมนุษย์อย่างที่ท่านจะคิดไม่ถึงทีเดียวยิ่งบุคคลผู้มีใจรักในเรื่องนี้เป็นพิเศษมาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์แล้วก็รับรองว่าเขาจะได้รับความสุขชื่นบานอย่างที่เขาไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยด้วยเหตุดังกล่าวมาบุคคลผู้กระทําการอย่างเดียวในโลกทิพย์อาจจะได้รับผลต่างกันก็ได้ หากเขามีรสนิยมในทางดนตรีมาไม่เหมือนกันเช่นในการรูปคลําดอกไม้หรือปล่อยให้ดินร่วงพลูลงไปตามซอกนิ้วของตนนั้นผู้มีรสนิยมในทางดนตรีจะรู้สึกถึงเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นได้มากกว่าและลึกซึ้งกว่าผู้ที่เคยสนใจในทางนี้มาน้อยหรือไม่สนใจเลยดังนั้นสภาวะของจิตของแต่ละบุคคล ที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรืออัธยาศัยประจำตัวของแต่ละบุคคลจึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ยินเสียงดนตรีมากน้อยเพียงไรเพราะในโลกทิพย์นี้จะไม่มีสิ่งใดที่มีขึ้นหรือสูญหายไปเปล่าโดยเปล่าประโยชน์เลยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงจิตซึ่งมีความเป็นเสรียอย่างเต็มที่ภายในขอบเขต แห่งภูมิของตนของตนคือไม่ใช่เสรีหรือทําอะไรได้ตามใจชอบภายนอกภูมิของตนความจริงประการที่สี่ก็คือความตั้งใจที่จะฟังเสียงใดเสียงหนึ่งหรือที่พระเจ้าเรียกว่าอธิษฐานจิตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากที่ต้องการกําลังใจอันมากมายแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องธรรมดาคือเป็นคุณสมบัติของจิตใจในที่นี้โดยแท้จริงอยู่ สำหรับบุคคลที่เพิ่งมาจากโลกมนุษย์ใหม่ๆก็าอาจจะต้องใช้กำลังจิตมากอยู่เหมือนกันเพราะยังไม่ได้ปรับตัวคือจิตใจให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์แต่ต่อมาเมื่อเขาได้มีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมคือลืมสัญญาเก่าของกายเนื้อหมดแล้วก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้นและการอธิษฐานจิตในเรื่องทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างฉับพลัน และในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวเพิ่มเติมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแม้ในเรื่องสัมผัสอื่นๆเช่นกลิ่นก็เป็นเช่นเดียวกันและเป็นความจริงทั้งในภาครับหรือเปิดและในภาคปฏิเสธหรือปิดคือเราอาจจอธที่ฐานจิตเปิดตาหูจมูกเป็นต้นให้รับอารมณ์ใดๆก็ได้หรืออาจจอยที่ฐานจิตให้ปิดไม่รับอารมณ์ใดๆก็ได้ทันที ตอนที่7เตรียมตัวไปดูภูมิต่ําการที่พระเจ้ากับรูทได้มาเห็นชาวโลกทิปทุกท่านทํางานกันอย่างขยันขันแข็งและเอาจริงเอาจังเช่นนี้ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่บ้างเมื่อมาหวนรําพึงถึงตนเองว่ายังหาได้ทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกับผู้อื่นไม่นี่ดูเหมือนจะเป็นความรู้สึกไม่สบายใจครั้งแรก นับแต่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้เอ็ดวินดูไม่ได้แสดงอาการประหลาดใจอย่างใดนักเมื่อเราแจ้งความวิตกให้เขาทราบเขาบอกว่าเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่เพิ่งเข้ามาสู่โลกนี้ทุกท่านอย่างไรก็ตามเขาได้กล่าวว่าเราไม่จําเป็นต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้เพราะเกรงว่า จะมีผู้หนึ่งผู้ใดมาว่ากล่าวเราแต่อย่างใดและเราจะทำการสำรวจความเป็นไปในโลกนี้ต่อไปอีกเป็นเวลานานสักเท่าใดก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกอยากจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างจริงๆเราก็สามารถจะหาสถานที่เหมาะๆสักแห่งหนึ่งเพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันให้เป็นที่สบายใจซึ่งเขาได้แนะนำให้เราไปยังแดนของภูมิสูงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไม่มีใครขัดข้องในข้อเสนอเราก็เริ่มออกเดินทางและในขณนะต่อมาก็ถึงชายเขตแดนที่ติดต่อกับภูมิสูงซึ่งเราได้เคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งเอ็ดวินได้พาเราเข้าไปในบ้านอันสวยงามหลังหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าดูจะอยู่ในขั้นสูงกว่าบ้านต่างๆที่อยู่ภายในใจกลางของภูมินี้เพราะนอกจากลักษณะของบ้าน จะชวนให้คิดไปในทํานองนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามีอากาศเจือจางกว่าในใจกลางของภูมิอันเป็นแดนของเรานั้นท่าทางที่เอ็ดวินนําเราเข้าไปนั้นดูไม่มีความเกรงอกเกรงใจผู้ดใดเสเลยในขณะต่อมาข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่าบ้านนี้ก็คือบ้านของเขานนั่นเองเราได้ต่อว่าเขาในข้อที่มีแยมพรายให้รู้มาก่อนเลย ซึ่งเขาก็รับว่าเขายังไม่ต้องการให้รู้ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรเมื่อพูดถึงเรื่องการงานที่กะว่าจะทําสําหรับข้าพเจ้านั้นเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์อาจจะเป็นผู้เคราะห์ดีอยู่บ้างในการที่สามารถจะเลือกกระทํางานตามที่ใจชอบได้แต่บัดนี้เมื่อมาอยู่ในโลกนี้แล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกว่า หมดความจําเป็นที่จะต้องทํางานเช่นนั้นต่อไปเพราะในที่นี้ไม่มีบุคคลใดที่เราจะต้องเทศนากลอมใจให้กลับตัวหรือความประพฤติของเขาเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์เอ็ดวินจึงกล่าวว่าเขามีงานให้ข้าพเจ้าทํารออยู่แล้วคือทําหน้าที่ประคับประความวิญญาณของชาวโลกมนุษย์มาสู่โลกทิพย์ซึ่งเป็นงานประเภทเดียวกัน กับที่เขาได้กระทาอยู่ตลอดมานั่นเองเมื่อได้ยินเช่นนี้ข้าพเจ้าก็บอกไม่ถูกว่ารู้สึกเต็มใจหรือไม่อย่างไรทั้งนี้เป็นด้วยความวิตกสียมากกว่าข้าพเจ้าเองก็รู้สึกตัวว่าเพิ่งมาถึงโลกนี้ได้ไม่นานนักจึงยังไม่ได้คุ้นเคยกับสภาวะรอบข้างเพียงพออดวิตกไม่ได้ว่าอาจจะไม่สามารถในหน้าที่การงานเช่นนี้ แต่เอ็ดวินได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าไม่จำเป็นต้องวิตกในข้อนั้นเพราะในชั้นต้นนี้เราจะทำงานร่วมกันไปก่อนต่อเมื่อข้าพเจ้ามีความชำนาญเพียงพอจนสามารถคุ้มกันตัวเองได้แล้วข้าพเจ้าอาจจะแยกไปทำโดยลำพังก็ได้ในขณะนี้รูธจึงเสนอตัวขึ้นมาบ้างว่าถ้าเอ็ดวินอนุญาต เธอก็ใคร่จะร่วมเป็นผู้ฝึกหัดในงานนี้ด้วยซึ่งเอ็ดวินก็ตกลงด้วยความยินดีเขากล่าวว่าการที่เราทํางานร่วมกันเป็นคณะเช่นนี้จะได้ผลดีกว่าการที่เขากระทําไปตามลําพังคนเดียวก็เป็นอันว่าเราทั้งสามจะต้องร่วมกันทํางานหน้าที่นี้ต่อไปภายใต้ความควบคุมของเอ็ดวิน เมื่อได้สนทนากันต่อไปอีกภักหนึ่งเทพเจ้าได้เอ่ยถึงเรื่องหนังสือที่เทพเจ้าได้เขียนไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์และซึ่งยังมีข้อความผิดพลาดอยู่เป็นอันมากเกี่ยวกับเรื่องโลกทิพย์เรื่องนี้ทําให้เทพเจ้ารู้สึกอยู่เสมอว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ทําการแก้ตัวให้ประชาชนผู้อ่านเลิกหลงผิดตามไปเช่นั้นแล้วก็จะมีความรู้สึกผิด ฝังอยู่ในใจตลอดเวลาที่นึกขึ้นมาคลาใดทุกคราวเอ็ดวินได้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะการติดต่อระหว่างชาวโลกมนุษย์กับชาวโลกทิพนั้นปัจจุบันยังเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งหากข้าพเจ้าจะกระทำได้ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปร่วมมือด้วยจึงจะสาเร็จเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว เขาก็ได้ขอตัวออกไปจากห้องนั้นสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาพร้อมกับบุรุษผู้หนึ่งผู้ซึ่งข้าพเจ้ามองเห็นในครั้งแรกก็รู้ได้ทันทีว่ามาจากภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าเราเอ็ดวินได้บอกแกข้าพเจ้าว่าบุคคลผู้นี้เป็นชาวอียิปต์พูดภาษาเราได้คล่องแคล่วและหลังจากแนะนําตัวกันแล้วเขาก็ได้แจ้งความประสงค์ของข้าพเจ้าให้ท่านผู้นี้ทราบ ท่านผู้มาใหม่นี้มีบุคลิกลักษณะสงบและส ง, งา่าน่านับถืออย่างยิ่งท่านได้กล่าวว่ายินดีที่จะช่วยเหลือให้งานของข้าพเจ้าเป็นผลสําเร็จแต่ทว่างานนี้จะต้องกินเวลาหลายปีซึ่งข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนสักหน่อยเพราะเราจะต้องรอให้เหตุการณ์บางอย่างของโลกเกิดขึ้นซะก่อนจึงจะได้โอกาสที่จะดําเนินการนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี ในระหว่างนี้ท่านขอให้เราทำตนให้คุ้นเคยกับสภาวะที่แวดล้อมนี้ก่อนและได้รับรองว่ายินดีจะช่วยให้ความปรารถนาของข้าพเจ้าเป็นผลสำเร็จอย่างจริงจังข้าพเจ้าได้กล่าวขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงจากนั้นท่านก็ได้ลุกขึ้นและลาจากเราไปในความประสงค์ของข้าพเจ้าครั้งนี้ใครขอให้ท่านผู้อ่านทราบเสียก่อนว่า เราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทาการกลับใจผู้อื่นในเรื่องรัฐที่ศาสนาที่เขามีความเชื่อถืออยู่แต่เดิมอย่างใดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการจะช่วยเหลือชาวโลกมนุษย์ส่วนมากที่มีความเห็นในเรื่องโลกทิพย์อย่างผิดๆให้มีความเห็นถูกขึ้นเท่านั้นเราต้องการจะให้เขาทราบว่าความตายนั้นที่แท้จริงคืออะไร น่าเสียดายที่ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากมีความเห็นอย่างดึงดันในทางผิดๆอย่างแก้ไม่หายเกี่ยวกับเรื่องเช่นนี้บุคคลเหล่านี้เมื่อเวลาแห่งความตายมาถึงก็ได้รับความทุกข์ทรมานและความหวาดหวั่นโดยไม่สมควรสู่อวบรรยภูมิเบื้องสูงชั้นแรกเอ็ดวินได้กล่าวชวนเราทั้งสองว่าเนื่องจากเขาเห็นว่าบัดนี้ เรามีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นพอสมควรแล้วเขาจึงคิดว่าเราควรจะไปเยี่ยมภูมิต่ำหรืออวัยภูมิอีกครั้งหนึ่งเพื่อสำรวจดูความเป็นไปให้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้นกว่าครั้งแรกซึ่งเราทั้งสองก็รับด้วยความยินดีเอ็ดวินได้กล่าวว่าเขาจะให้ความคุ้มครองแก่เราอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเราได้ออกจากบ้านของเอ็ดวิน เดินทางผ่านอาาเขตแห่งภูมิของเราไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็เข้าสู่อนาเขตของอบายภูมิณที่นี้เอ็ดวินได้กล่าวเตือนว่าเราจะรู้สึกเยือกเย็นไปตลอดร่างเช่นครั้งก่อนแต่เราจะกำจัดความรู้สึกเช่นนี้จะได้โดยตั้งใจธิ่ฐานจิตสลัดมันออกไปเสียเขาได้จับมือของเราทั้งสองไว้คนละข้าง ข้าพเจ้าเหลือบมองดูที่เสื้อผ้าของเราก็เห็นว่าได้เปลี่ยนสีคล้ำลงไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นการน่าประหลาดอย่างยิ่งเอ็ดวินได้กล่าวว่าการเปลี่ยนสีคล้ำลงของเสื้อผ้าของเรานี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นนั้นเองไม่ได้แสดงว่าเราจะหมดอำนาจคุ้มกันตัวหรือเป็นผู้เสื่อมลงแต่อย่างใดโดยกฎธรรมชาติที่เป็นไปเช่นนี้ ก็เพื่อให้สภาวะภายนอกของเรากลมกลืนเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นหาไม่แล้วแสงเรืองรองอันเกิดจากอาพรของเรานั้นจะทำอันตรายหรือเป็นที่ระคายเคืองแกสายตาของผู้อยู่ในภูมินี้จนทนไม่ได้เมื่อข้าพเจ้าได้เหลียวไปพิจารณาดูโดยรอบก็เห็นว่า เรากำลังเดินอยู่ในภูมิประเทศที่อ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวเป็นอย่างยิ่งพื้นแผ่นดินแข็งกระด้างผิดกับในภูมิของเราอย่างไกลลิบต้นไม้ใบหญ้าอันเขียวขจีต่างต่างก็ไม่มีปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่น้อยท้องฟ้าเบื้องบนแลดูคลื่มและมืดมนอากาศเยือกเย็นยิ่งขึ้นทุกขณะเบื้องหน้าเรามีหมอกสีขาวจางๆขวางหน้าอยู่ ยิ่งเข้าไปใกล้ก็ปรากฏว่าหมอกนี้ได้ทวีความหนาทึบมากขึ้นทุกทีทำให้รู้สึกว่าเป็นเสมือนมีเมฆหมอกอันชื้นแฉะมีน้ำหนักและแรงดันผิดปกติกดทับอยู่โดยรอบกายทันใดนั่นเองก็มีร่างร่างหนึ่งโผล่ออกมาจากหมอกตรงมาที่เราเอ็ดวินคงจะรู้จักบุคคลผู้นี้ดีเพราะเขาได้กล่าวแนะนำตัวพวกเราให้รู้จัก และได้แจ้งถึงความประสงค์ของการที่พาเรามาครั้งนี้ด้วยบุคคลผู้นี้ได้กล่าวว่าเขายินดีจะร่วมทางไปกับเราด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะนำบางประการและแล้วเราก็เดินมุ่งหน้าต่อไปสักพักใหญ่หมอกนี้ก็ค่อยจางลงและในที่สุดเราก็สามารถเห็นภูมิประเทศรอบด้านได้ดีขึ้นกว่าเดิมบัดนี้ เราได้มาอยู่่าำกลางพื้นแผ่นดินที่อ้างว้างและแห้งแล้งอย่างสุดที่จะประมาณได้ช้าช้านานจะเห็นบ้านอันซอมซ่อตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างห่างกันสักหลังหนึ่งแลดูแต่ไกลก็รู้สึกทุเรศเหลือประมาณเดินกันต่อมาอีกไม่นานเราก็พากันมาถึงบ้านหรือจะเรียกให้ถูกก็คือกระท่อมโกโรโกโสเข้าหลังหนึ่งก็ อบายภูมิขั้นแรกหรือขั้นสูงอบายภูมิขั้นนี้เป็นภูมิติดต่อการกับภูมิสูงฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าแม้จะปราศจากความเจริญและนับว่าเป็นอบายอย่างหนึ่งก็ยังนับว่าสูงกว่าอบายภูมิขั้นอื่นๆที่เราจะได้พบเห็นต่อไปข้างหน้าเมื่อเราได้เข้ามาใกล้ๆกระท่อมหลังนี้แล้วจึงได้ลายเห็นได้ชัดว่าเป็นบ้านเตีย้ยๆเล็กๆ ปราศจากเครื่องประดับตกแต่งใดๆทั้งสิ้นแม้มองดูจากภายนอกก็เลยเห็นได้ว่าไม่น่าที่จะมีผู้คนอยู่อาศัยได้เลยยิ่งเข้าไปใกล้เพียงใดก็ยิ่งแลดูเห็นความน่าเกลียดมากขึ้นอย่างบอกไม่ถูกว่าเป็นเพราะเหตุใดเอ็ดวินและผู้นําทางของเราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในภูมินี้ได้เดินนําทางตรงไปยังประตูหน้าและเมื่อได้ครอดประตูแล้ว ก็เปิดเข้าไปภายในทันทีโดยไม่ได้รอเสียงขานรับและหันกวากมือให้เราตามเข้าไปบ้างเมื่อเราเข้าไปข้างในก็เห็นว่าห้องนั้นเป็นห้องที่เลวที่สุดที่เราได้เคยเห็นมาถ้าจะพูดเปรียบในแง่ของชาวโลกมนุษย์ก็พอจะกล่าวได้ว่าเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ที่ยากจนที่ชาวโลกมนุษย์จะพึงคิดฝันได้ และเป็นผู้ที่หาที่พึ่งอย่างใดไม่ได้เลยแต่ทั้งนี้ก็เป็นคำเปรียบให้ท่านผู้อ่านพอจะมองเห็นตามได้เท่านั้นเพราะเมื่อมองในแง่ของเราแล้วความยากจนดังกล่าวนั้นหาใช่ความเข็นใจไร้ทรัพสมบัติโดยตรงไม่แต่เป็นความยากจนทางจิตใจซึ่งมีระดับต่ำเหลือประมาณนั่นเอง ความยากจนชนิดนี้ร้ายแรงก็ความยากจนในทางวัตถุมากมายนักเพราะเราไม่สามารถหาวัตถุใดๆมาเป็นเครื่องบำบัดความรู้สึกอันต่ำารามเช่นนี้ได้เลยเมื่อเราเข้าไปภายในห้องความหนาวเย็นแทนที่จะลดน้อยลงไปก็กลับยิ่งเพิ่มทวีขึ้นอีกซึ่งทั้งนี้เอ็ดวินกล่าวว่า เป็นเพราะสภาว่าแห่งจิตใจของเจ้าของบ้านนั่นเองที่ทําให้เป็นเช่นนั้นในห้องหลังเราเห็นบุคคลผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเก้า อ, อี้แต่ลําพางผู้เดียวเขาไม่ได้ลุกขึ้นหรือแสดงกริยาอาการว่ายินดีต้อนรับพวกเราแต่อย่างใดรูทกับข้าพเจ้าคงยืนอยู่ห่างๆปล่อยให้เอ็ดวินและเจ้าหน้าที่ของภูมินี้เดินตรงเข้าไปสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของบ้าน ผู้ไม่เต็มใจต้อนรับนี้ตามลำพังเขาเป็นคนมีอายุอยู่ในวัยกลางคนลักษณะท่าทางเป็นผู้เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วครั้งหนึ่งจากเครื่องแต่งกายแสดงว่าเป็นผู้ไม่เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของตนเองเลยเขามีสีหน้าแสดงความไม่พอใจเมื่อเอ็ดวินแนะนําให้รู้จักเราในฐานะที่เป็นผู้มาใหม่ หลังจากการสนทนาได้สักครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็พอจะจับใจความได้ว่าเขากำลังบ่นแสดงความไม่พอใจในความทุกข์ยากที่เขาได้รับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งเอ็ดวินได้กล่าวว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะความไม่ยุติธรรมนั้นจะหาไม่ได้ในโลกที่เขากำลังเป็นอยู่นี้ ได้มีการโต้เถียงกันอย่างค่อนข้างรุนแรงอยู่ภาคหนึ่งที่ว่ารุนแรงนั้นก็คือฝ่ายผู้เป็นเจ้าของบ้านเป็นฝ่ายโต้เถียงอย่างรุนแรงตลอดเวลานี้พวกเราไม่มีใครได้กล่าวถ้อยคำอันรุนแรงอย่างใดเลยแต่ในที่สุดเขาก็ค่อยเสียงอ่อนลงและดูเหมือนจะพอรู้เหตุผลขึ้นมาบ้างหลังจากนั้นไม่นานเขาก็บอกว่า จะขอนาเหตุผลของพวกเราไปคิดดูก่อนและแล้วเราก็ถือโอกาสลาออกจากบ้านของเขาเมื่อมาอยู่ข้างนอกด้วยกันแล้วเอ็ดวินได้อธิบายให้ฟังว่าบุคคลผู้นี้ได้มาสู่โลกนี้ประมาณสองสามปีมาแล้วเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เขาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงโดยประสบความสาเร็จในการงานอย่างดีตามทัศนะของชาวโลกมนุษย์ ตลอดเวลาที่เขาประกอบอาชีพอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเขาไม่เคยคิดถึงสิ่งอื่นใดหรือความทุกข์ยากของผู้ใดนอกจากความสําเร็จในการงานของเขาเท่านั้นเขาถือเสียว่าวิธีการทุกๆอย่างหากไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นของที่ใช้ได้ทั้งนั้นเขาไม่เอาใจใส่ว่าจะมีใครได้รับความเดือดร้อนหรือทุกข์ยากเพราะการงานของเขาหรือไม่เพียงไร เขาไม่เคยมีความกรุณาต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยถือเสียว่าผู้ที่แข็งแรงหรือผู้ที่ฉลาดกว่าเท่านั้นจึงจะสมควรลำรงชีวิตอยู่ได้จริงอยู่เขาส่งเงินไปร่วมการบำเพ็ญกุศลต่างๆไม่น้อยเหมือนกันแต่เขาก็จะเลือกส่งเฉพาะที่จะนำชื่อเสียงมาให้หรือจะนำผลประโยชน์ตอบแทนมาให้เขามากกว่าที่เข้าลงทุนไปเท่านั้น เขาช่วยเหลือเจือจานกิจกรรมทางศาสนาด้วยความเข้มแข็งเอาจิงเอาจังแสดงถึงความเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างยิ่งเพราะเขารู้ว่าเขาจะได้รับความยกย่องนับถือจากพวกพระเป็นอย่างดีและเขาก็จะรู้สึกพองโตในเมื่อรู้สึกว่าตนเป็นผู้เด่นอยู่ในสังคมเขาเคยออกเงินสร้างโบสถ์วิหารวัดวาอารามและโบสถ์แห่งหนึ่ง ก็ถึงกับนำชื่อของเขาไปตั้งเป็นชื่อของบุนั้นแต่เอ็ดวินได้บอกกับเราว่าเท่าที่ได้สํารวจประวัติความเป็นมาของบุคคลผู้นี้โดยละเอียดแล้วก็ไม่เคยปรากฏว่าเขาได้กระทํากิจการอย่างใดด้วยน้ำใจเสียสละอย่างแท้จริงแม้สักครั้งเดียวจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของการทําบุญของเขาทุกครั้งก็คือต้องการให้ตัวเด่นขึ้น ซึ่งเขาก็ได้รับผลสมประสงค์จริงๆในโลกมนุษย์แต่ก็เป็นความสำเร็จที่มีราคาแพงเหลือเกินพลรดไหนเมื่อเขาได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทริปนี้เขาก็ได้รู้ว่าความสำเร็จจอมปลอมทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นต้นเหตุแห่งความยากแค้นแสนสาหัสดังเช่นที่เขากำลังประสบอยู่ใบัดนี้ด้วยเหตุดังกล่าวมา เขาจึงได้รับความโกรธแค้นเสียใจอย่างมากมายเมื่อได้รับผลอันคาดไม่ถึงในโลกนี้ในทัศนาของเขาถือว่าเขาได้มีชีวิตอันดีงามสมควรเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้จริงๆเขาจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงต้องได้รับผลอันอยุติธรรมอย่างร้ายแรงเห็นป่านนี้เขาไม่ยอมฟังเหตุผลว่าอันที่จริงแล้ว เขาไม่ควรจะโทษผู้อื่นใดนอกจากตนเองเขาบ่นอยู่เสมอว่าพวกพระทําให้เขาหลงผิดมาตลอดเวลาเพราะการที่เขาได้รับการยกยอปอปั้นตลอดมานั้นทําให้เขาทึกทักเอาว่าเขาจะต้องได้รับผลแห่งการบุญของเขาอย่างมาหาศาลในโลกหน้าเขายังไม่ยอมเชื่อแม้ว่าเราจะได้พยายามอธิบายให้ฟังครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ในการทำบุญนั้นเจตนาเป็นของสำคัญที่สุดไม่ใช่จำนวนเงินเพราะเราจะเอาเงินซื้อผลบุญหรือความสุขในโลกหน้านั้นไม่ได้เป็นอันขาดการทำบุญหรือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั้นแม้มีประมาณเล็กน้อยแต่หากผู้ทำได้กระทำด้วยใจอันบริสุทธิ์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั้น ย่อมได้ผลอนิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าการทำบุญด้วยเงินเป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลในทางหาคะแนนิยมให้แก่ตัวผู้กระทาเองเป็นไหนไหนในปัจจุบันจิตใจของบุคคลผู้นี้ถูกกลุ่มรุมด้วยความโกรธแค้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งดูเหมือนจะยิ่งทับทวีมากขึ้นทุกทีทั้งนี้เพราะเมื่อสมัยเป็นมนุษย์ไม่มีผู้ใดกล้าขัดใจเขาเลย ชีวิตของเขาเคยแวดล้อมไปได้วยความสุขสําราญนึกจากได้สิ่งใดก็เป็นอันต้องได้ตามปรารถนาจึงไม่ต้องสงสัยว่าได้ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นแก่จิตใจของเขาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาเคยหวังว่าจะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลแต่แล้วก็กลับต้องตกมาอยู่ในสภาวะอันแสนจะทุเรศเวทนา เขาได้แต่บ่นซ้ำๆอยู่ว่าเขาช่างเป็นคนอาภัพเสจจริงๆที่หาบุคคลที่จะชี้ความผิดของเขาให้เขารู้ตัวไม่ได้เลยเอ็ดวินได้กล่าวว่าทั้งเขาเองและเจ้าหน้าที่อื่นๆได้พยายามให้เหตุผลปลอบโยนบุคคลผู้นี้ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีมานานนักหนาแล้วแต่เขาก็ยังดื้อไม่ยอมฟังอยู่นั่นเองมาในครั้งหลัง ที่ข้าพเจ้ากับรูธได้ร่วมเดินทางมาด้วยนี่เองที่เอ็ดวินได้สังเกตเห็นว่าดูเข้าเสียงอ่อนลงบ้างและมีท่าทางว่าพอจะกลับใจได้ทีละน้อยในขั้นต่อไปซึ่งทั้งนี้เอ็ดวินได้กล่าวว่าอาจเป็นเพราะอิทธิพลแห่งจิตใจอันเต็มไปได้วยความกรุณาปราณีของรูซึ่งได้แผ่ออกมาโดยที่เจ้าตัวไม่ได้รู้สึกก็เป็นได้ นี่เป็นรายแรกแห่งประจัดพยานอันแสดงถึงความทุกข์ทรมานของผู้อยู่ในอบายภูมินี้แม้จะเป็นขั้นที่ยังสูงกว่าส่วนอื่นก็ตามอย่างไรก็ดีในขณะนี้เรายังไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้มากกว่า น, นี้จึงต้องปล่อยไวเช่นนั้นก่อนและเราทั้งสี่ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่แดนอภายภูมิลึกเข้าไปทุกขณะตอนที่8ด สู่อบายภูมิความแตกต่างระหว่างสุขติภูมิกับอบายภูมินั้นมีอยู่ประการหนึ่งคือเราอาจกล่าวได้ว่าสุขติภูมิเป็นดินแดนแห่งฤดูร้อนตลอดการส่วนอบายภูมินั้นเป็นเสมือนดินแดนแห่งฤดูหนาวตลอดการฉะนั้นท้งนี้เพราะในทัศนะของชาวตะวันตกฤดูร้อนเป็นเวลาแห่งความผาสุกสดชื่น ความร้อนไม่รุนแรงเหมือนอย่างในประเทศเราส่วนฤดูหนาวนั้นเป็นฤดูแห่งความทุกข์ทรมานเพราะความหนาวมีมากและร้ายแรงอย่างยิ่งแต่การเปรียบเทียบครั้งนี้ข้าพเจ้าหมายถึงภาวะอากาศโดยทั่วไปเท่านั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะประการอื่นด้วยเพราะอันที่จริงฤดูหนาวในโลกมนุษย์นั้นแม้จะต้องเผชิญกับความหนาวอย่างรุนแรงของอากาศก็จริง แต่ทัศนียภาพของภูมิประเทศก็มีความสวยสดงดงามไปอีกแบบหนึ่งซึ่งให้ความรื่นรมใจได้อีกประการหนึ่งเหมือนกันแต่ในทุคติภูมิที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงอยู่นี้ถ้าข้าพเจ้าจะใช้คำเปรียบว่าฤดูหนาวก็ขอให้ท่านใช้มโนภาพระลึกถึงความเยือกเย็นอันทารุณอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับความงดงามของพื้นภูมิประเทศแต่อย่างใด เพราะในทุกติภูมิที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงอยู่นี้โดยทั่วบริเวณจะมีแต่ความเยือกเย็นแห้งแล้งอ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวอย่างน่าสะพึงกลัวเป็นที่ยิ่งมันทำให้จิตใจของเราหดหูและเศร้าสลดอย่างบอกไม่ถูกจริงๆในบทที่แล้วมาข้าพเจ้าได้กล่าวถึงอบายภูมินี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยย่อในครั้งนั้น เป็นการบรรยายถึงลักษณะของอบายภูมิอันอยู่ปากทางเท่านั้นนับว่าเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับสุขติภูมิบ้างแต่บัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งเอ็ดวินและรูธจะได้นำท่านลึกเข้าไปเป็นลำดับก่อนอื่นขอให้ท่านระลึกไว้ด้วยว่าเรื่องต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่น่ารื่นรมย์ใจแต่อย่างใดเลยการกล่าวถึงอบายภูมิ จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความบันเทิงใจไม่ได้อยู่เองแต่เนื่องจากเป็นเรื่องของความจริงฉะนั้นการกล่าวถึงความจริงในบางครั้งนั้นแม้จะไม่เป็นไปเพื่อความบันเทิงหรือรือ่น ร, ร, รมใจอยู่บ้างก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จุดมุ่งหมายของการบรรยายครั้งนี้ม่ใช่ขู่ให้ท่านผู้ฟังตกใจกลัวการกระทำเช่นนั้น ไม่ใช่จุดประสงค์ของพวกเราชาวโลกทิพย์แต่อย่างใดความมุ่งหมายของข้าพเจ้าก็คือเพื่อแสดงให้ท่านทราบว่าภูมิเช่นนี้มีอยู่จริงโดยกฎอันไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลีกเลี่ยงได้คือกฎแห่งเหตุและผลซึ่งเป็นเรื่องของผลอันเกิดแก่จิตใจที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับหลังจากที่ตนได้หวานพืช น, นันไ้แล้วในโลกมนุษย์นั่นเองการที่บุคคลหลบหนีความยุติธรรม หรือการลงโทษในโลกมนุษย์มาได้นั้นเขาจะต้องได้ผเผชิญกับความยุติธรรมยางเด็ดขาดและสมควรแก่ความผิดของเขาในอบายภูมินี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เราเดินทางจากภูมิของเราเข้าสู่อบายภูมินั้นทัศนียภาพโดยรอบจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับ ดอกไม้ก็จะลดจำนวนน้อยลงที่มีอยู่ก็จะมีสีซีดลงเป็นลำดับแลดูคล้ายกับจะตายมิตายแหล ะ, ะนั้นต้นหญ้าก็ค่อยๆมีสีเหลืองทวีขึ้นความเขียวชอุ่มลดน้อยลงทุกทีจนกระทั่งในที่สุดทั้งต้นหญ้าและดอกไม้ก็หายไปหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ภูมิประเทศอันแห้งแล้งทุร ก, กันดารเต็มไปด้วยโขดหินอยู่รอบด้าน ความมืดก็ค่อยๆปกคลุมขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งแสงเรืองรองอันเป็นลักษณะประจำภูมิของเรานั้นก็ค่อยๆกลายเป็นแสงสลัวสีเทาลงและในที่สุดก็กลายเป็นความมืดดําสนิทในท้ำกลางความมืดชนิดนี้มีผู้มีสภาวะแห่งจิตใจยังเจริญไม่ถึงแล้วจะมองไม่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย แต่สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากภูมิที่สูงขึ้นไปก็สามารถมองเห็นในถ้ากลางความมืดได้เป็นอย่างดีโดยที่สัตว์ผู้อยู่ในอบายภูมิเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเห็นท่านได้เลยนอกจากว่าท่านเหล่านั้นจะต้องการให้สัตว์เหล่านี้เห็นโดยเฉพาะเท่านั้นขณะ น, นี้ทางเดินของเราค่อยๆลาดลงเป็นลําดับ เราได้ผ่านอนาเขตที่เต็มไปด้วยหมอกมาแล้วพื้นดินที่เราเหยียบอยู่ขณะ น, นี้รู้สึกว่าแข็งกระด้างขึ้นทุกทีมองไปโดยรอบกายจะไม่แลาลยเห็นมีบ้านผู้คนอยู่หน้าที่แห่งใดเลยมองตรงไปเบื้องหน้าจะเห็นทางเดินเป็นหินครูกระและลาดชันอย่างน่ากลัวขณะ น, นี้แม้เราจะรู้ดีว่าความมืดได้ปกคลุมเราอยู่รอบข้าง แต่เราก็รู้สึกได้ในขณะเดียวกันว่าเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบข้างได้อย่างชัดเจนข้าพเจ้ารับรองว่าที่กล่าวมานี้เป็นความจริงอย่างแปลกประหลาดซึ่งไม่สามารถจะธี่บายอย่างไรได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นได้เมื่อเทียบตามความรู้สึกของทางโลกมนุษย์อย่างไรก็ตามความจริงก็เป็นเช่นนั้นทางลาดที่เราเดินลงไปนี้ มีหินเป็นรอยแตกรล้าอยู่ทั่วไปข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นที่พื้นดินเหล่านี้มีเป็นเมือกจับอยู่ทั่วไปทำให้รู้สึกว่าน่าจะเลื่อนถลยทำให้หกล้มได้ง่ายเป็นอย่างยิ่งเมือกนี้มีสีเขียวช้ำชและมีกลิ่นเหม็นอย่างร้ายแรงสำหรับพวกเราอันตรายอันเกิดจากการเลื่อนถลยล้มพลาดลงไปนั้นเป็นอันไม่ต้องคำนึงถึงทั้งนี้เพราะ ดังที่กบเจ้าได้ ก, กล่าวมาแล้วว่าอาการทางกายของเราอยู่ในบังคับของใจโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการหกล้มพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดหลังจากที่เราได้เดินตามทางลาดมาประมาณสักหนึ่งไมล์เป็นอย่างน้อยเราจึงได้แหงนมองดูรอบๆจึงพบความจริงว่าบัดนี้เราได้อยู่ภายในหุบเขามหืมา มีสันฐานเป็นวงกลมเส้นรอบวงนั้นกะว่าคงยาวหลายไม่ทีเดียวเมื่อเหลียวไปรอบด้านก็จะเห็นขุนเขาใหญ่ตั้งตรงงานอยู่ทุกทิศทุกทางตามไหล่เขาเป็นลาดหินและหน้าผาชันแลดูน่าสะพึงกลัวมิใช่น้อยบริเวณพื้นที่โดยรอบมีหินใหญ่น้อยระเกะ ร, ระกะอยู่ทั่วไปและปรากฏมีหมอกหรือไอบางๆ ซึ่งเป็นไออันมีพิษร้ายแรงอย่างยิ่งลอยอยู่บนพื้นดินและปกคลุมหินเหล่านี้อยู่ทั่วไปแน่นอนเหลือเกินหากเราไม่ได้รับการคุ้มกันเป็นอย่างดีแล้วคงจะต้องได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากไอพิษเหล่านี้ยังไม่ต้องสงสัยแม้กระนั้นเราก็รู้ได้ด้วยยานว่าสถานที่เช่นนี้เป็นภายอย่างร้ายแรงเพียงใด เราได้เดินเรื่อยๆต่อมาด้วยความปลอดภัยอีกครู่หนึ่งเมื่อได้เพ่งสายตาฝาไอพิษออกไปเบื้องหน้าก็แลเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นเงาดำๆอยู่ในความมืดสลัวนั้นครั้งแรกข้าพเจ้าก็คิดว่าภาพที่เราเห็นตะคุ่มตะคุ่มนั้นแลดูคล้ายๆก็จะเป็นร่างมนุษย์กำลังคลานกระเสือกกระสนอยู่บนพื้นดินฉชนนั้นแต่แล้วก็ต้องเลิกคิดเช่นนั้น เมื่อ น, นึกขึ้นมาได้ว่าเป็นการสุดวิสัยที่จะมีมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใดมีชีวิตอยู่ในสถานที่อันเต็มไปด้วยพิษร้ายแรงเช่นนี้ได้แต่เอ็ดวินก็ได้บอกแก่ข้าพเจ้าในทันทีว่าร่างเหล่านั้นเป็นร่างของมนุษย์หรือของผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์มาแล้วอย่างแท้จริงเขาผู้ครองร่างเหล่านั้นครั้งหนึ่งก็ได้เคยมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ เหมือนกันกับพวกเรานี่เองเขาได้เคยกินเคยนอนเคยหายใจอากาศในโลกมนุษย์เช่นเดียวกันกับพวกเราได้เคยเดินไปมาในโลกมนุษย์เคยดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะมาแล้วเหมือนกันบางคนก็ได้เคยสมาคมติดต่อกับพวกเรามาแล้วแต่เขาเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตใจชั่วหยาบอย่างร้ายแรงในดวงจิตของเขาไม่มีสิ่งใด นอกจากความปรารถนาในทางที่ชั่วและความต้องการที่จะกระทำกรรมอัลลามกนานาประการจิตใจของเขาถูกครอบงำอยู่ด้วยอากุศลวิตกเป็นส่วนมากฉะนั้นหลังจากที่เขาได้ละทิ้งกายเนื้อมาแล้วเขาจึงได้มาอยู่น่าสถานที่อันสมควรแก่เขาอย่างแท้จริงสถานที่เช่นนี้เองคือมรดกแห่งกรรมอันชั่วร้าย และแห่งจิตใจอันหยาบช้าของเขาทั้งหมดนี้เป็นผลกรรมของเขาเองทั้งสิน้นเมื่อเราเดินต่อไปอีกภาคหนึ่งก็ปรากฏว่าหนทางได้ลาดลงไปอีกและเราคือข้าพเจ้ากับรู้ก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องประสบภาพที่น่าสังเวชน่าเกลียดและน่ากลัวยิ่งขึ้นไปทุกทีแต่เราก็รู้สึกกุ่นใจว่า เอ็ดวินคงจะมีความสามารถคุ้มครองเราไว้ได้เป็นอย่างดีอันที่จริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะบุคคลผู้ยังมีกำลังใจไม่พอที่จะทนดูภาพอันน่าสยดสยองต่างๆได้หรื อ, อยังไม่มีอำนาจคุ้มครองตนเองได้อย่างเพียงพอแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาสู่สถานที่อันเต็มไปด้วยอันตรายรอบข้างเช่นนี้เป็นอนขาดเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ ก็ได้เห็นร่างซึ่งน่าจะเป็นร่างของสัตว์มากกว่ามนุษย์นอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นหินโดยทั่วไปข้าพเจ้าไม่อยากจะใช้คำว่าร่างมนุษย์ก็เพราะสภาพที่ลายเห็นอยู่นั้นทำให้เกิดความสังเวชอย่างสุดที่จะบรรยายได้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นร่างของผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์มาแล้วจริงๆเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดร่างกายอยู่นั้นขาดวิ่นไม่มีชิ้นดี ซึ่งเขาไปจะคิดว่าจะมีปกปิดร่างกายอยู่หรือไม่ก็ดูเหมือนจะมีค่าเท่ากันเพราะปลากรวว่าเป็นเศษผ้าชิ้นหยาบๆเก่าแก่และขาดวินจนกระทั่งสามารถมองเห็นเนื้อได้หมดทั้ทุกส่วนของร่างกายและเนื้อนี้เมื่อเพ่งพินิจดูก็ชวนให้รู้สึกว่าน่าจะเป็นร่างของซากศพมากกว่าที่จะเป็นของร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งแขนและขามีแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่แทบไม่มิดเมื่อมองดูที่มือข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นกรงเล็บของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นนิ้วของมนุษย์สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือดวงหน้าของร่างเหล่านี้เองเป็นดวงหน้าที่บิดเบี้ยวเ ย, ยเกยจนแทบจะไม่เป็นรูปร่างทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า สมควรจะเป็นหน้าของสัตว์จะมากกว่าดวงตาเล็กและลึกลงไปในกระบอกตาริมฝีปากใหญ่หนาและบานยื่นออกมาทำให้มองเห็นฟันซึ่งมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับเคี้ยวของสัตว์นั่นเองเราจ้องมองร่างซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเราเหล่านี้ด้วยความรู้สึกหดหูอย่างสุดซึ้งมันทำใหเรารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งว่า บุคคลเหล่านี้ได้ทำกรรมอย่างใดไว้ร้ายแรงเพียงใดจึงต้องได้รับความทรมานถึงขนาดนี้